ทีนี้ต่อไปว่าระว่าด้วยอาคุศลบ้างอาคุศลอากุศลนี่เกิดขึ้นสิบสองดวงอ่ะเนี่การแยกแยะอาคุศลทั้งโดยวัตถุโดยอารมณ์โดยกรร ม, โ ด, รรมโดยทวารเป็นต้นเนี่ยแล้วโดยเจตสิกที่ประกอบแยกแยะวิเคราะห์ได้ทั้งหมดละเอียดนี้เป็นธรรมะปฏิสัมพิธารู้ผลของอกคุศลที่ให้ผลทั้งจกักรวิญ ญ, ญาณโสตข า, านะชิวหากายะวิญ ญ, ญาณและ มโนวิญญาณนี้มโนวิญญาณก็ไปทํากิจอะไรปฏิสนธิกิจผวังจุติตธารนะัมมณะอะไรตัอสันติรณะเนะนี่ยนะห้านะถ้าแยกแยะอย่างนี้ได้แยกแยะวิบากแล้วสาวไปหาอากุศลได้อันนี้เป็นอัทธาปฏิสัมพิทานเนี่ยนะเพราะนั้นะมองกรรมและมองผลของกรรมออกนะมองกุศลและอ ก, อ, อกุศลออกมองอกุศลและวิบากออก แยกแยกเป็นสาวไปอย่างนี้ได้นั่นแหละเรียกว่ามีอัตทมีธรรมปฏิสัมพิทามองเหตุเป็นธรรมะมองผลเป็นอัตทะนั่นเองนี้ต่อไปนะว่าผู้ที่มีความรู้อย่างนี้ถ้าอย่างพระปเจกเนี่ยนะท่านไม่มีนิรุตที่จะเอามาแสดงมาแสดงมาบรรัญญัติสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เห็นชัดอย่างท้าวญาสาวกทั้งหลายก็อาศัยพื้นฐานที่ท่านได้ฟังมาท่านก็เอามามาแสดงตามได้ตาม ตามคําสอนดังการเอามาพูดมาแสดงเรียกว่าเป็นนิรุตติปฏิสัมพิทาคําว่าตาตระระธรรมนิรุตตาพิลาเปยานังเนี่ยนะความว่าความรู้แตกฉานในคําพูดคํากล่าวที่เปล่งถึงสภาวะนิรุตติอันเป็นโวหารที่ไม่ผิดเพี้ยนในอัตถะและธรรมะนั้นทเียกว่าสามารถเอาอัตถะกับธรรมะนั้นมาแสดงมาพูดโดยไม่ผิดได้นะไม่มีผิดไม่มีคลาดเคลื่อนเลย ในคําพูดอันเป็นสภาวะนิรุติของพระอริยบุคคลผู้ทําสภาวะริสนิรุติศัพว์ที่เขาพูดแล้วกล่าวแล้วเปล่งแล้วออกแล้วให้เป็นอารมณ์พิจารณาอยู่ตรงนี้ท่านยกมาเป็นภาษามาคตอ่นะนะตัอย่างเห็นชัดอย่างพระนางอะไรนางอุบลวันนาเทรีหรื อ, อธรรมทินนาเทรีเนี่ยเห็นชัดนะพระธรรมทินนาเทรีใช่ไหมเป็นเอตตะทักฆะในปฏิสัมพิธาของภิกษุณีเนี่ยนะ อย่างพระทางธรรมทินนาเถรีเนี่ยนะคืออย่างคำที่วิสาขาอุบาสกที่อดีตเคยเป็นสามีเนี่ยที่เป็นพระอนาคามีถามปัญหาเนี่ยตอบได้เข้าใจได้หมดเลยนะซึ่งบวชไม่นานน่ะซึ่งบวชไม่นานเนี่ยสามารถเอามาแสดงชี้แจงอธิบายได้ตามตามคำที่ที่วิสาขาอุบาสกที่เป็นพระอนาคามีถามได้แล้วก็วิสาขาอุบาสกไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระนางธรรมทินนาเถรีเนี่ย แสดงถูกต้องแล้วถึงมาถามพระองค์พระองค์ก็จะแสดงอย่างนี้แหละในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือความที่ท่านมีปฏิสัมพิธาเหมือนกับพระมาหาโกธิตะเป็นต้นเนี่ยนะก็มีความรู้ความสามารถแตกฉานลักษณะนั้นแต่ตรงนี้ท่านให้ความสําคัญกับภาษามคตมากเนี่ย น, นะถามว่าทำไมาท่านจึงจึงยกให้ภาษามคตเป็นหลักเดี๋ยวตอนหลังจะกล่าวอีกครั้งนึง เพราะฉะนั้น ท, ทัวนใหม่ครั้งว่านิรุตติปฏิสัมพิทานี่มีสัทธะคือเสียงเป็นอารมณ์มิได้มีบัญญัติเป็นอารมณ์ตรงนี้มีรู้ว่ามีปรมัจเป็นอารมณ์นะไม่ใช่มีบัญญัติเป็นอารมณ์ตัวนิรุตติปฏิสัมพิทาก็เท่ากับประกาศว่าผู้ที่ได้นิรุตติปฏิสัมพิทาเนี่ยนะพอฟังปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าคนนั้นพูดถูกหรือพูดผิดเฟังออกเลยว่าเขาพูดสิ่งนั้นเนี่ยพูดถูกหรือพูดผิดถ้าก็ยกตัวอย่างว่า พระยาบุคคลที่บรรลุนิรุติปฏิสมัมพิทาครั้นเขาพูดว่าผัสโสก็ย่อมรู้ว่าเออเนี่ยเป็นสภาวะนิรุติถ้าเขาพูดว่าผัสษาหรือผัสสังก็รู้ว่าไม่ใช่สภาวะนิรุติอันนี้นี่ เ, เป็นเป็นโวหารที่ถ้าเป็นคนที่เรียนสายบาลีมาจะฟังออกนี่นะว่าคําพูดลักษณะนี้เป็นการพูดสภาวะนะคำพูดลักษณะเนี่ยเป็นการประกาศลักษณะหรือประกาศอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะฟังกันออกในแน่ๆผู้ที่เรียนภาษาบาลี แต่ในีณะมันเหมือนอะไรเหมือนกับคนที่เข้าใจในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เลยนะอย่างเมื่อกี้ถามยังว่าไหม้ผ้าไหมอะนะไหมใหม่ไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนเราให้ฝรั่งพูดดิไหม้หมายไม่เอาไงน่นฟังไม่ออกเลยนะคือคือซำนวลเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนไทยจริงๆจะฟังออกไหม หลักภาษาเหล่านี้ก็เหมือนกันนะเจ้าของภาษาเขาจะฟังกันออกเดีนะ ถ, ถ้าโดยธรรมดานะทีนี้ก็เลยถามว่าก็พระอริยบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมพิธานี้จะรู้หรือไม่รู้คําอื่นคือพยัญชนะอย่างอื่นอีกเช่นนามอาขยาตอุปสรรคนิบาต ท, ท่านก็บอกว่าพระอริยบุคคลผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมพิทานั้นครั้นได้ยินเสียงแล้วก็รู้ว่านี้เป็นสภาวะนิรุตนี้ไม่เป็นสภาวะนิรุต นนะคือฟังแล้วจริงๆท่านจะฟังออ ก, ก น, นะแต่ในข้อนี้ท่านก็มีผู้กล่าวปฏิเสธบอกโอ้ไทยที่เรียนบาลีมาก็รู้ได้ทั้งนั้นแหละคานี้เป็นนามเป็นอาขยาตเป็นอุปสรรคเป็นวิพัตปัจจัยอะไรนะถ้าเรียนบาลีมาก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าท่านก็เลยยกเอาว่าภาษามคตเนี่ยนะเป็นภาษาที่มีใช้อยู่ห้ายแห่งด้วยกันอย่างเช่นว่า ยังเด็กนะเขาบอกว่าเอาเด็กเนี่ยมารดาและบิดาเอากุมานน้อยในคราวยังเป็นทารกอยู่ให้นอนบนเตียงแล้วก็พูดภาษานั้นนั้นทำกิจนั้นนั้นอยู่ทารกกําหนดภาษานั้นของมารดาและบิดานั้นว่าท่านพูดคํานี้ผู้นี้พูดคํานี้ผู้นี้ พ, น พ, พูดเมื่อวันเวลาผ่านไปก็จะรู้ภาษาได้เช่นว่าถ้าก็สมัยนี้ลูกครึ่งเยอะนะ มายนี้ลูกครึ่งเยอะก็ถ้าแม่สอนภาษามากก็จะรู้ภาษาแม่นั่นแหละถ้าพ่อสอนภาษามากก็จะรู้ภาษาพ่อเนี่ยแต่ถ้าไปอยู่บางประเทศนะพ่อก็ภาษาหนึ่งแม่ก็ภาษาหนึ่งไปอยู่อีกประเทศหนึ่งบางทีไปเรียนอีกภาษานู่นเลยนะไม่ได้เรียนภาษาพ่อภาษาแม่อะไรสักอย่างเช่นพ่อเป็นไทยแม่เป็นขเขมรไปอยู่ฝรั่งก็พูดแต่ฝรั่งเลยคะนะี้งทั้งผู้ที่ถ้าหากว่าไม่ได้ยินคําพูดเลยนะ นะเขอตรงนี้คถ้าของมายังนึกอะไรก็ของเกิดมาแล้วคนป่าคนเขาเนี่ยไปอยู่กับสัตว์มันก็จะพูดภาษาสัตว์ได้เนะถ้าไปอยู่กับสัตว์นะไปอยู่กับพวกเดราัชานอยู่อะไรก็จะพูดภาษาภาษาสัตว์ได้มันก็แล้วแต่การส่องเสร็จจริงๆนะที่ที่จะการรับรู้การสื่อความหมายทั้งหลายะนั้นท่านบอกว่าภาษามคตเนี่ยเป็นภาษาที่มีใช่อยู่ละแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัชานในเปรติวิสัยในมนุษย์หรือใน เทวโลกแต่ทีนี้บรรดาภาษาในโลกเนี่ยนะเนึกว่าโอ้อะไรจะมีมากเท่าภาษาพูดก็ไม่รู้นะขอให้เปล่งเสียงออกมาทางทวารปากเถอะเป็นภาษาหมดจะร้องคำไหนมาก็ช่างแต่เอเป็นภาษาได้หมดนะโดยที่สุดแ บ, บ่ๆก็ยังเป็นเลยเนะมันไม่มีอะไรที่ไม่เป็นภาษาขอให้หลุดมาจากทวารป า, ากอนะเขาบอกว่าอินเดียเนี่พูดได้พันกว่าภาษาภาษาของชาวอินเดียเลยนะพันกว่าภาษา ภาษาบาลีเนี่ยนะทับศัพท์เนี่ยจะเข้าใจมากกว่าแปลออกมาอย่างใครที่เรียนความหมายของสัมปชัญญะนั้สี่อย่างสาตกสัมปชัญญะสปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะสาตกสัมปชัญญะกว้างขวางขนาดไหนโคจรสัมปชัญญะกว้างขวางสปายะอสัมโมหะเป็นต้นเนี่ยถ้าขยายเข้าใจอย่างกว้างขวางเลยนะถามว่าจะแปลสัมปชัญญะออกมาว่าอย่างไง แปลว่าเป็นภาษาไทยได้ไแปลว่ารู้ตัว ส, สมัยนี้เขาแปลว่ารู้ตัวความรู้ตัวสติรละลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเออถ้ารู้ตัวมัถ้าเป็นภาษาไทยในตีความมันไงรู้ยังไงเออเนี่ยปวดเมื่อยก็รู้ว่าปวดว่าเมื่อยหรือเปล่าหิวก็รู้ว่าหิวง่วงก็รู้ว่าง่วงอย่างไง้รู้ตัวเ้วรู้ว่ายังไงเ น, นี่นยนะแล้วสติระลึกได้อันระลึกยังไงเนี่ยเอาแล้วก็ได้ยุ่งละะปัญหาก็ตามมาอีกบางเลย แต่ถ้ากล่าวว่าสติเกิดกับโสภณธรรมนี น, นะก็จํากัดอัดลงไปแล้วใช่ไหมสติถ้าเป็นกุศลต้องเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลเป็นไปกับภาวนาทานก็แบ่งออกเป็นวัตถุทานเป็นต้นนะศีลก็มาแบ่งประเภทของศีลอีกสมถะก็แบ่งเป็นหมวดสมถะทั้งหลายวิปัสสนาก็แบ่งไปตามหมวดอีกทั้นสมถะวิปัสสนาทั้งหลายนี่ก็เรื่องอธิบายเรื่องอีกยาวเลยทั้งสติก็ไม่ใช่ว่าจะแปล แปลกันได้ง่ายๆเนี่ยนะฮั้นถ้าเปรียบเทียบอุปมาสติเหมือนกับอะไรขุนคลังใช่ไหมถ้าสติเปรียบเหมือนกับขุนคลังหรือปรินายกแก้วนี้ก็จะเข้าใจเข้าใจชัดขึ้นว่าเพราะสตินี้ไม่ใช่ว่าฉลาดน้อยเลยอ่ะนะเป็นเป็นความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมากเพราะั้นถ้าแปลไปเป็นภาษาอื่นเนี่ยนะก็ก็ยากเหมือนกันภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้ายิ่งแปลไปเป็นภาษาอื่นก็ยาก แต่ถ้าแปลมาอย่างนี้นะก็เรียนได้มากกว่าไม่แปลเนี่ยนะแต่แปลแล้วนะผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะพยายามให้สอบทานอยู่เสมอว่าคำนี้เนี่ยที่เราเข้าใจายอยู่ในในที่เราพูดเราคุยกันเนี่ยนะบาลีท่านว่าอย่างไงให้พยายามน้อมคิดไปหาภาษาบาลีคืนแล้วพยายามไปอ่านคำอธิบายคำจำกัดความของศรรัพท์นี้อย่าไปชอบเอาคาใดคาเดียวเป็นกฎเกณฑ์นะ เพราะคำบางอย่างเนี่ยกว้างขวางเกินกว่าจะเอาโวหารพยัญชนะภาษาไทยมาตั้งเป็นคำใดตั ว, ตวใดตัวหนึ่งเป็นกฎเกณฑ์ได้นเนยเพราะภาษาบาลีเขากว้างขวางอันผู้ที่มีปัญญาแตกฉานอริยสัจเนี่ยนะฟังธรรมะที่เป็นภาษาบาลีปับ๊บมองออกเลยแทนตลอดเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งตัศระมัชตาตาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าไงดีนเนี่ยนะ กลางไหนนี่ยนะตตระมัชตตาเนี่ยนะบอกว่ากลางโดยเขาเรียกว่าไม่ไม่ยิ่งไม่หย่อนใช่ไหมไม่ตกไปฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งถามว่าแล้วธรรมะเหล่านี้จะเด่นชัดเมื่อไหร่ขณะเนี้ยธรรมะตัวนี้น่จะชัดเจนจริงๆต่อเมื่อได้อุเบกขาพรห ม, มิหารหรือได้อุเบกขาสามัมโพชงหรือได้จดตุทชัชฌาน นะพวกนี้จะเข้าใจตรตระมัชะตะตาชัดแต่ถ้าธรรมดานะอุ้ยมันเรียกว่ามันเหมือนกับแทบอภโหเรกเลยนะมันจะว่าไม่มีก็มันมีอะแต่ว่ามันมันลึกมากอะสำนวนว่าท่านบอกว่าดวงดาวบางดวงนะถ้าจะปรากฏชัดต่อเมื่อได้ราตรีมืดกลางวันนี่มีดาวไหม ม, มีมีหรือไม่มีนี่แต่ทำไมเราไม่เห็น เ พ, เพราะมีแสงอาทิตย์กลบหมดใช่ไหมแต่ถ้า ม, มืดมิดทันทีจะมองเห็นดาวเนี่ยนะนั่นก็เหมือนกันนะนะเจตสิกบางดวงเนี่ยถึงจะมีอยู่แต่ก็ยากที่จะเห็น ท, ท่านอธิบายในตั้งแต่ชานสูงสูงขึ้นไปจะอธิบายในลักษณะนี้พอได้กลางคืนเป็นปัจจัยเนี่ยนะเจตสิกต่างๆก็จะเริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นได้สำคัญมากนะว่าพระพุทธพจน์ที่เราเรียนเราศึกษาเนี่ยพยายามระลึก ย้อนกลับมาที่ภาษาบาลีคืนนะถ้าถ้าอย่างในยุคตอนนี้นะเห็นสับใดก็พยายามคิดไปหาศัพ์บาลีคืนเพราะถ้าเราไม่ไม่ขยันสอบสวนสอบทานขนาดนั้นเนี่ยนะกรุงเทพเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมากระจารตันตินะไม่ได้ไม่ได้มาขายหน้าแต่เล่าให้ฟังเลี้ยวพลาดนิดเดียวเองกันนะขึ้นทางด่วนเลยอะ่เอนะเอะเห็นไหมเพราะแสดงว่าต้องสอบฐานต้องไวเหมือนกันใช่ไหมการเจริญกุศลก็เหมือนกัน การเจริญกุศลก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเรานึกว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วนะนั่นนับพลาดง่ายมากการเจริญกุศลเพราะฉะนั้นต้องต้องตื่นตัวพยายามที่จะค้นคว้าเทียบเพียงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอย่า ม, มั่นใจอะไรจนเกินไปเนี่ยนะแล้วก็อยากคิดว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่แล้วเพราะนั่นหมายถึงว่าพลาดง่ายมากเนี่ยนะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดในวันนี้เราจะได้ไปคือความเป็นพหูสูตรนี้ถือว่าเป็น อริยทัพย์ในศาสนานี้นะหให้ให้รักความเป็นพหูสูตรเข้าไวเ้เถอะในยุคนี้นะถามว่าจะขอเชื่อบุคคลคนเดียวเท่านั้นแหละไม่ขอเชื่อคนอื่นถามว่าทําได้ไหมตอนนี้ได้เชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็พอละเห็นไหมถ้าใครพูดตามพระพุทธเจ้าเชื่อถ้าพูดไม่พูดตามแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาพูดตามหรือไม่พูดตามนั่นแหละก็ต้องอ่านพระไตรปิฎกเองอนะจริงแล้วก็จริงเราทั้งหลายก็มีบุญกันมากนะ ก็พระไตรปิฎกก็มีให้ยืมก็มีนะมีขายก็มีอยากเป็นส่วนตัวก็มีอะไรมีหมดอะนะแล้วภาษาก็อ่านกันแตกฉานเขียนหนังสือก็เป็นอะไรก็เป็นก็น่าจะอ่านได้อยู่แล้วนะนั้นก็อ่านแล้วก็เลือกสู่ที่ประทับใจทรงจำเอาไว้พ้องไว้แล้วก็มันอ่านมันพิจารณานะได้เท่าไหร่นั่นแหละเราได้มีสารณะเท่านั้นจริงๆเนี่ยนะได้มากหรือได้น้อยนะสารณะของเรามีอยู่ เท่านั้นตอนนี้พอจะเห็นได้ก็คือปริยติศาสนาถ้าปริยติศาสนาความเข้าใจเราอ่อนปฏิบัติศาสนาของเราก็ก็อ่อนถ้าปริยตปฏิบัติอ่อนปฏิเวศศาสนาก็หวังยากเพราะฉะนั้นความรู้ในด้านปริยติศาสนาตอนนี้พอที่จะเป็นธรรมังสรนังขัตฉามิของเราทั้งหลายเนี่ยนะนนถ้าเรามีความเข้าใจชัดในปริยติศาสนาซึ่งปริยัติศาสนาของพระพุทธเจ้าก็สอนชี้ให้เห็น ปฏิบัติศาสนาในที่สุดก็รู้แจ้งแทงตลอดปฏิเวติศาสนาที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์นะนะผู้ที่ตรัสรู้ปฏิเวติศาสนาจริงก็นําผู้นั้นพ้นจากทุกข์ท่านก็หวังว่าปริยติศาสนาของพระองค์ก็คงดํารงยืนนานอยู่ในใจของเราท่านทั้งหลายคือสามารถที่จะได้บําเพ็ญไตรสิกขาเป็นไปเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าทุกคนเนี่ยนะก็ขออนุโมทนาด้วย